ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนาตตธรรมสูตรที่8จบ 9. ขยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปวัฏธรรมสูตรที่10จบ 11. สมุททยธรรมสูตรว่าโดยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 เวทนามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัญญามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสมุทยธรรมสูตรที่1ิจบ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 พระสูตรที่มีนิวักนี้คือ 1. มารสูตร 2. มารธรรมสูตร 3. อณิจจสูตร 4. อณิจจธรรมสูตร 5. ทุกขสูตร 6. ทุกขธรรมสูตร 7. อนาตตสูตร 8. อนาตธรรมสูตร 9. ขยะธรรมสูตร 10. วยธรรมสูตร สสมุทยะธรรมสูตรสิบสองนิโรธะธรรมสูตรสามอาญาจนะวักหมวดว่าด้วยการอาราธนาหนึ่งถึงสิบเอ็ด มาราธิสุตตะเอกาทสกะว่าด้วยพระสูตรสิอ็ดสูตรมีมาราสูตรเป็นต้นหนึ่งมาราสูตรว่าด้วยมานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวาทีครั้งนั้นท่านพระราธะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า แต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราธะสิ่งใดเป็นมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันธราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นมาร คือรูปเป็นมานเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในรูปนั้นเวทนาเป็นมารเธอพึงละฉันทะละถึงในเวทนานั้นสัญญาเป็นมารเธอพึงละฉันทะในสัญญานั้นสังขารเป็นมารเธอพึงละฉันทะในสังขานั้นวิญญาณเป็นมารเธอพึงละฉันทะราคะ ชันธราคะในวิญญาณ น, นั้นราธะสิ่งใดเป็นมารเธอพึงละชันธราคะชันธราคะในสิ่งนั้นมาราสูตรที่หนึ่งจบสองมาราธรรมสูตร ว่าด้วยธรรมของมาราธะสิ่งใดเป็นธรรมของมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นและอื่นๆมาระธรรมสูตรที่สองจบ3อมอ น, นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงราธะสิ่งใดไม่เที่ยงและอื่นอนอนิจจสูตรที่สามจบ 4. อนิจจรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาและอื่นอันนอ้นิจจรรมสูตรที่สจบ 5. ทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ราธะสิ่งใดเป็นทุกข์และอื่นๆทุกขสูตรที่ห้าจบหก ทุกขธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาราทะสิ่งใดมีทุกเป็นธรรมดาและอื่นๆทุกขธรรมสูตรที่หจบ 7. อนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาราทะสิ่งใดเป็นอนัตตาและอื่นๆอนัตตสูตรที่7จบ 8. อนัตตธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาราทะสิ่งใดมีอนัตตาเป็นธรรมดาและอื่นๆอนัตตธรรมสูตรที่8จบ 9. ขยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาราทะสิ่งใดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาและอื่นๆ พัตธรรมสูตรที่9จบ 10. วยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาราธะสิ่งได้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและอื่นๆวยฏธรรมสูตรที่สิจบ 11. สมุททยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาราธะ สิ่งได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในสิ่งนั้นและอื่นๆสมุทัยธรรมสูตรที่11จบ 12. นิโรธธรรมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยยอ่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาท มีความเพียรอุธิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราทะสิ่งใดมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่ามีความดับไปเป็นธรรมดาคือรูปมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในรูปนั้นเวทนามีความดับไปเป็นธรรมดา ละถึงสัญญาสังขารวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในวิญญาณ น, นั้นราทะสิ่งได้มีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในสิ่งนั้นนิโรธธรรมสูตรที่12จบอาญาจนะวัรรที่สามจบ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 สสมุทยธรรมสูตรสิบสองนิโรธธรรมสูตรสี่อุปนิสินวักหมวดว่าด้วยผู้เข้าไปนั่งใกล้หนึ่งถึงสิบเอ็ด มาราทิสุตตะเอกาทสกะว่าด้วยพระสูตรสิบอสูตรมีมาราสูตรเป็นต้นหนึ่งมาราสูตรว่าด้วยมานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้นั่งณที่สมควรดังนี้ว่าราธะสิ่งใดเป็นมานเธอพึงละฉันธาราคะฉันทราคะในสิ่งนั้น ก็อะไรเล่าเป็นมานคือรูปเป็นมานเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในรูปนั้นละถึงวิญญาณเป็นมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในวิญญาณ น, นั้นราธะสิ่งใดเป็นมานเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในสิ่งนั้นมารสูตรที่หนึ่งจบ 2. มารธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของมารเรื่องเกิดขึ้นินครูงสาวถีราธะสิ่งใดเป็นธรรมของมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นและอื่นๆมารธรรมสูตรที่สองจบ 3. อ น, นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงราธะสิ่งใดไม่เที่ยง และอื่นๆอันนี smooth, ้จะสูตรที่สามจบ 4. อันนี้จะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาและอื่นๆอันนี้จะธรรมสูตรที่สี่จบหทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ราธะสิ่งใดเป็นทุกข์ และอื่นๆทุกขสูตรที่หจบ 6. ทุกขธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีทุกเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีทุกเป็นธรรมดาและอื่นๆทุกขธรรมสูตรที่หจบ 7. อนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาราธะสิ่งใดเป็นอนัตตา และอื่นอนัตตสูตรที่เจ็ดจบ8อนตตธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีอนัตตาเป็นธรรมดาและอื่นอนตตธรรมสูตรที่8จบ 9. ขยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาราธะ สิ่งได้มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาและอื่นๆขยะธรรมสูตรที่9จบ10วยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาราธสิ่งได้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและอื่นๆวยธรรมสูตรที่สิบจบสิอสมุทยะธรรมสูตรว่าด้วย สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาราทะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นและอื่นๆสมุทัยธรรมสูตรที่สิบเอ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 คือรูปมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอเพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในวิญญาณนั้นราธะสิ่งใดมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในสิ่งนั้น นิโรธธรรมสูตรที่สิบสองจบอุปนิสินะวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีนิวักนี้คือ 1. มารสูตร 2. มารธรรมสูตร 3. อนิจะสูตร 4. อนิจะธรรมสูตร 5. ทุกขสูตร 6. ทุกขธรรมสูตร 7. อนัตสูตร 8. อนัตธรรมสูตร 9. ขยะธรรมสูตร 10. วยธรรมสูตร1 1สมุทยธรรมสูตร 12. นิโรธธรรมสูตร ราธะสังยุตจบสามทิฏฐิสังยุตหนึ่งโซตาปฏิวั์หมวดว่าด้วยโซดาปฏิมักหนึ่งว่าตสูตรว่าด้วย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 ทิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้ำไม่ไหลสตรีมีคันไม่คลอดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุจเสาระเนียเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้าไม่ไหล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 เมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณท И ิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่ น, น, นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่ะ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 ละถึงมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าอัตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้ที่ยางแท้ยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลาย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 ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะและถึงเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าอาตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการนี้ได้